ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่ ม, มีมีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูงรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับกจิตใจของนักเกิดนั่นแหละด้วยความเข้าใจว่าตายแล้วสูญนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตาม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 ปัญหานี้ทําเป็นการทําลายตัวเองไปในตัวผู้ที่วัดมีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการน้ำมัดระวังกับเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้ า, าว่าเราทําไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม่เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงกิจจะต้องเกิดต้องรับผลอย่างกรรมนั้นนี่ คนนี้มีความขยะกขยงต่อสิ่งที่ไม่คุสมปทาถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่วัดตายแล้วศูนย์นี้รู้สึกจะศูนย์ไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณพจอะไรทั้งหมดพอยังลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดปัญหาการทําบุญทําบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันวาจะทําอะไรแล้วก็ทํำตาม ได้ชอบพวกนี้ชื่อว่าความคิดเ่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวใ น, ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีเกีบ ส, สิ่งทั้งหลายเที่ยงรือพวกทิฏฐิต่างๆจ้าวทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญมงตายแล้วเกิดม้าง ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงเมื่อสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นอย่างนี้ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็จะเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกําเนิดของต้นที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลนี่ก็เป็นเรื่องของความสําคัญไม่ใช่ความกินเรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลส ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระสิบ ก, กระซาบจนตัวบังคับบัญชาอํานาจมากอํานาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดอย่างคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัวว่าความคิดที่นั้นเป็นสิ่งที่ ถูกต้องั้งหมดที่น่าเชื่อไม่เชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราแม้ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั่นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่มงมงายนี้มานานยิ่งใหญ่คือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสําหรับผู้มีค่าจึงต้องได้ระวัง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 การจดจําเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลียงไปขนาดไหนก็เลียงไปมันก็เป็นแต่ชื่อ ต, ตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม่นิดหนึ่งด้วยการจดจําจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวตัวสําคัญต่างๆภายใน จ, จิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติการปฏิบัติเช่น จิตจตะภาว น, นาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ไหดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดใงทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจ ะ, ะ, รจ ะ, ะงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเชิงจิตมีความฟุ้งซ้านเป็นการเกาะกวนตัวเอง พุ่งซ่านมากกว่าควรมากทำลายตนเองมากนี่ให้พยายามระงรับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกําหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทําให้พุ่งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตเสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานทักงานวุ่นนี่มีเพียงเท่านี้ก็พอสร้างเงินต้น หนึ่งขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลํำดับก็ยอมทราบจิตและนทราบธาตุจับขันเรื่องของธาตุของขันไโดยลําดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันเป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันแม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันอันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้าน บ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้ ia, เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเลยแปลว่าอาศัยกันอยู่เท are ่านั้นเช่นเราเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราเราจะไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราท่าขันน <|hi|> ี่เป็นของเราคือหมายทึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เราไม่ใช่ถ่าขันถ้าขันไม่ใช่เรา แต่เมื่ออาศัยความรัผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าถ้าขันเป็นของเราตามหลักสมมติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีมีการการเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลำดับลำดับอย่างนี้เฮ้จิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความสะแสแหวงในทางนั้นเสมอ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 นี่แหละมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ล้นละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนูไปจนกระทั่งม้าั้นขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอ การตัดกระแสะของจิตที่ชอบคิดใ น, นแง่ไม่ดีด้วยความพยายามอยู่เสมออย่างนี้ก็เป็นไปได้ทำนองเดียวกันตัดสิด่งใดขาดออกไปจากจิตก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นได้ขาดไปแล้วจากใจเงื่อนที่จะต่อให้เกิดความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเช่นนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วอย่างนี้ก็ทราบนะกิเรศประเภทใดที่จิตชอบคิดชอบยึดชอบเหนียวชอบยึดมั่นถือมั่น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 ถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละละ่าสองล่าเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่งเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดน่ะนเรื่องก็แสของกิเลส ท, ที่ออกไปจากจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะ่ะสําคัญหนักแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลส จ, จริงๆมันก็มีคื อ, อมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่ถ้าเราเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชา พยายามตัดมันแตกไปทางตาทางหูทรับทางตาหนี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแข น, แนงเหมือนกันรูปอะไรบ้าง น, นี่มันแตกกระจายไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิดคิดไปทางกิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงมันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเรา แล้วก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอพขอกิเลสตัวนี้อจะน่ากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทําให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คกายเราเห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครยังนผูโกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไร ความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทําไมขยันกโกรธเนี่ยโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วไอโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตงนและเขาขึ้น อ, อ, อ, อีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้เนี่ยแต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตัวเองเพราะความโกรธตนเองนั้นะ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 เนมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกออกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจมันก็ย่อมทราบได้โดยอยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้จาะลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากก็น้อยสําคัญที่เกียรตนาสําคัญที่ความจดจ่อจะทําให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ต้องไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปแล้วโดยลำดับๆมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละ ลด้ล่า ก, กันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจกนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดที่เรียกท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวก็เราตัดรากฝอยของมะของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็าไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ังเหลือแต่รากแก้เขาถอนพวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม่ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตเอ่ ความศูนย์มันจะมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทำไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นอะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิตนี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้าไม่ถ้ามันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไรการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของีอยู่มาเกิดจะ อ, อะไรมาเกิดธาตุขันนี้ออกมาจากอะไร ธาตสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศาัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันวนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบมันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นการปรเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราที่ว่าตายแล้วสูญในขณะนี้มันสูญหรือไม่สูญเมื่อมาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ ถ้าหาว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันออกมาจากสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมาได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่เราพบชาติคือความสืบต่อแห่งพบทำชาติเป็นกําเนิดเกิดในที่นั้นที่นี่มันมีเชื่องมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวพบตัวนี้คือเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่ศูนย์เป็นตัวเกิดตัว แก่ตัวเตลตาตัวเจ็ดตลายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดวนความศูนย์นั้นมองไม่เห็นถ้ามันศูนย์ได้ยังไงมันศูนย์อยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภารใจิตใจความศูมนย์ภารในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะศูนย์ได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่จะให้ศูนย์มันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้น แล้วเราจะอะไรมาศูนย์ความสําคัญมันมันสำคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่านี้มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทําให้เกิดมีอยู่ภาย ใ, ในจิตใจรากเน่าข้าวมูลพวกมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดบันย่งคําตลอดกลับตลอดกักนไม่มีกําหนดกดเจนไม่มีต้นมีปลายเลยก็ต้องเกิดแล้วตายเกแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจ นี่เป็นความจริงที่ประจับที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันศูญไปไหนมันได้จต่ความสําคัญไันเฉยๆผลสุดท้ายกับผู้ที่สําคัญว่าตายแล้วสูนย์นั่นแหละไปเกิดอีกไปลาบความทุกข์ความลําบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าเราจะอยากทําอะไรแล้วก็ทําอยากทําบากทําอะไรก็แล้วแต่ทำใจของเราในเวลาที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมาย ทีนี้เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสําคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าละโมกขัางหลายเท่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นเช่นนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเห็ุใดยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีและไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอํานาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสําคัญมาหลอกลวงตนเองทั้งนั้นความจริงมีอยู่ทําไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจใจนี้ไม่ศูญเชื่อแห่ง พิเลธที่เชื้อแห่งพบแั่งชาติที่มีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกลาที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในใ จ, ใจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ความสําคันแล้มันสูญได้สูญได้ตามความําคันเฉยแต่ความจริงไม่สูญแล้วบาปบุญคุณโทษที่ทําลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในใจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานคิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหน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 เป็นภาพต่างๆให้เราลุ้นเล็งมันเทิงให้เราโศกเศร้าเสียใจนี่แต่เรื่องทิศภาพที่ออกไปจากอีกนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลําดับลำดับแล้วมันตัดขาดออกจากกันเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามาย่นมาณนี่เรียกว่าตัดพบตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามา ม้ทีุ่ดร่างกายของเหล่านี้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันเท่านั้นนักคือธาตุดินน้ําลมไฟมาผสมกันเข้ามีโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นจัดเป็นบุคคลเมื่อมันทราบทั้นแล้วมันก็สลัดพาณาจิตจีรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่าง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 ธาตุขันก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงและมันปล่อยอย่างนั้นเแี่ยไม่มีใครบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยปลอยปล่อ ย, อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นคว้าเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิครับปล่อยน่ะสุดท้ายมันมีอะไรตัดนากฝอยเข้ามาโดยลํำดับลํำดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วพบธาต อย่างอื่นมันขาดไปโดยลําดับลําดับยังเหลืออยู่อะไรเนี่ยฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชานั่นแหละนี่ตัวกิเลสแท้อกิ่งก้านสาขาขกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ได้แก่อวิชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนอมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจน ก, กระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นตนตนเป็นธรรมชาตินั้นเนย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 พ ญ, ญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดความตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดเราจะพูดแบบโลกเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเออหมดกัน ت ت ทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพกน้อยพบใหญ่เป็นมาขี่กับขีกคันจนนับไม่ส้ว น, นตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาใเกิดตัวนี้พาใตายตา ย, ตายแล้ ว, ต า, ลวตายเล่าเกิดซ้ําเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกข์ซ้ำซากซากๆม่หยุดไม่ถอย มายุติกันแล้วเหลือในค้างนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ค่าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความเม่ยสุดนั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเครือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังไ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 เจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในปัจจุบันชาติที่เราจําได้นี้เพียงเท่านี้แล้วก็ทราบชาัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นทำแล้วไม่ทําให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ทำร่วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทําใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีเนี่ยมันแน่อย่างนี้ละ่ะนี่เรียนธรรมภายในจิตใจ เรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจำํำเนี่ยเป็นวิธีทําการแก้กิเลสด้วยการตัดกิเลสทํางานกับกิเลสทําอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในใจิตใจจิตใจนั้นตื่นเป็นเจ้าปัญหามาตัแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งในเหมือเลยนี่ นี่แหละความสิ้นสุขสุดของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูญอันเรื่องความศูญของวัตะนั้นถูกต้องคือมนม่มันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูญสิ่นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดเจ็เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูญสิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูญอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่าจะสู์สิ้นอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทดนานเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความมือสุดเด่น แสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมทำไมจิตนี่ไม่ใช่ความศูญนี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วกิเลสสิ้นศูนญไปหมดไม่มีอะไรเหลือภนายในพทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศทำสอนโลกมาตั้งสี่สิบาพระพรรษาถึงได้ปรินิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนะั้นแล้วจิตก็ได้ศูนย์ไปด้วยแล้วนําอะไรมาสอนโลกล่ะ แปดมื 80, ่นจะทำสิพันธธรรมขันไม่ออกมาจากจิตที่บริรสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั่นจะออกมาจากไหนน่ะเนี่ยเรียนทําให้ถึงนี้หายหสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมืม่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในะจิตใจนี้หมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอเนี่ยความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของทีเจ้าแล้วคนเราจะไมนน่ได้บ่นเรื่องความทุกข์ความลาบากดาเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีตาม่ามีรุ่ดนดอนมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมานแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บน่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเปียวกับทำคือคติธรรมดา ก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอปรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาพิใช้ไม่มีผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการท้องใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแลจะพาคนไปล่มจมความต้องการนั่นแลทําลายจิตใ จ, จคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมานไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่ไม่ตะยาอัคคภัทรแต่คือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยาเท่านั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่ คิดไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในใจิตใ จ, ใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าเป็นเลยนา น, นวันนี้พูดถึงเรื่องวัตจักรพูดถึงเรื่องความสูงความไม่สูงตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจริงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสัมพันธ์ว่าสูง ทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นในด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเรานั่นแหละความเชื่อนี้จริงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั่นแหละเป็นสิ่งที่มาผิด ออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกําเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกๆ ท, ท่านนํำไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้กอ่อปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วย